ทาสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีวันสิ้นสุดเรียกว่ามรรคหรือมรรคแปดเพราะมีองค์ประกอบอยู่แปดประการด้วยกัน มักลือมักแปดนี้เป็นทางดุสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่เป็นทางที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้คนพบด้วยพระองค์เองเพราะไม่มีใคร รู้จากทางนี้มาก่อนพระพุทธเจ้าพยายามไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆก็ไม่มีใครรู้ทางสู่การดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงและถาวรรู้แต่การดับทุกข์ได้เพียงชั่วคราวเพระองค์เลยต้องไปหา ต้องไปค้นคว้าหาทางเป็นเหมือนคนตาบอดคลำทางไปคำผิดคำถูกในที่สุดก็ได้ส่งค้นพบทางที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงทางนี้เป็นทางสายกลาง สา้กลางระหว่างทางอีกสองทางที่มนุษย์เราใช้ในการดับความทุกข์ก็คือการหาความสุขทางร่างกายหาความสุขทางตาหูจมูกมือกายเพื่อมาดับความทุกข์ใจก็เป็นการดับได้เพียงชั่วคราวดับไม่ถาวร เวลามีความทุกข์ใจก็ไปหาความสุขทางร่างกายเช่นไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆก็ทำให้ลืมความทุกข์ไปได้ชั่วคราวแต่ไม่นานเดี๋ยวความทุกข์นั้นก็กลับมาอีก วิธีดับความทุกข์ด้วยการหาความสุขทางร่างกายนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ได้เพราะความทุกข์หรือเหตุของความทุกข์นี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่ใจนี่เป็นทางหนึ่งที่สัตว์โลกหรือมนุษย์ทั้งหลายหาทากัน เพื่อมาดับความทุกข์ใจกันแต่ก็ดับได้เป็นพักๆไปเท่านั้นความทุกข์ใจก็ยังไม่หายไปความทุกข์ใจที่เกิดจากการแก่การเจ็บการตายการพลาดพลาจากสิ่งที่รักจากบุคคลที่รักก็ยังไม่ดับไปจะ ก, กับการได้ความสุขทางร่างกายมา ก็เลยมีผู้ที่หาอีกวิธีหน cool ึ่งวิธีนี้ก็คือใช้การดับความทุกข์ด้วยการทรมานร่างกายทําให้ร่างกายมีความทุกข์แล้วคิดว่าจะทําให้ความทุกข์ดับไปได้ก็ดับไม่ได้เช่นเดียวกันมีพวกฤาษีชีไพรที่พยายามใช้การทรมานร่างกาย ด้วยวิธีการต่างๆมาดับความทุกข์ทางใจก็ไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองตอนก่อนจะตัดสู้ก็ทดลองวิธีนี้ด้วยการทรมานร่างกายด้วยการอดพระกายาหารทรงอดพระกายาหารถึงสี่สิวันแต่ก็ยังไม่สามารถ ดับความทุกข์ทางใจได้พระองค์งจึงทรงรู้ว่าทางตั้งสองทางนี้ไม่ใช่เป็นทางที่จะนําไปสู่การดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในพระไตยของพระองค์งได้ความการหาความสุขมาดับความทุกข์พระองค์งก็เคยกระทํามาแล้วตอนที่เป็นพระราชาโอรสเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ประทับอยู่ในพระราชวังก็ใช้ความสุขทางร่างกายทางตาหูจดมบุกลินไกลมาดับความทุกข์เวลาไม่สบายพระไทยก็จัดงานเลี้ยงจัดงานสังสรรค์ไปเที่ยวไปเล่นไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจ แต่ก็ดับได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นไม่นานความทุกข์ใจนั้นก็กลับคืนมาอีกนี่พระองค์จึงยรู้ว่าทางสองทางที่ที่ชาวโลกเราใช้เพื่อมาดับความทุกข์นี้ไม่ได้เป็นทางที่นำไปสู่การดับความทุกข์อย่างแท้จริงจึงทำให้พระองค์ต้องไปค้นคว้าหาทาง ที่จะดับความทุกข์อย่างแท้จริงให้ได้แล้วในที่สุดพระองค์ก็สามารถค้นพบทางที่นำไปสู่การดับของความทุกข์ต่างๆได้เป็นทางที่อยู่กึ่งกลางระหว่างการใช้ความสุขทางร่างกายและการใช้การทรมานร่างกายมาดับความทุกข์ทางนี้พระองค์เรียกว่ามร เพราะว่ามีองค์ประกอบอยู่แปดองค์ประกอบด้วยกันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางที่จะนำผู้ปฏิบัติผู้ที่เดินทางนี้ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงและถาวร ผู้ที่ปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์จึงต้อง <c oughs> เดินไปในทางนี้การจะเดินไปในทางนี้ก็ต้องเจริญองค์ประกอบแปดองค์ด้วยกันซึ่งมีดังต่อไปนี้องค์ประกอบที่หนึ่งเรียกว่าต้องมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบ ความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็ต้องมีข้อองค์ที่สองคือมีสัมมา ส, สังกับโปมีความดำริชอบหรือความดำริที่ถูกต้องความดำริก็แปลว่าความคิดความคิดที่ถูกต้องแล้วก็ต้องมีข้อที่สามคือมีสัมมารกรรมันโต มีการกระทําที่ถูกต้องแล้วก็มีข้อที่สี่คือสัมมาวาจามีวาจาที่ถูกต้องแล้วก็ข้อที่ห้ามีสัมมาอาชีวมีอาชีพที่ถูกต้องแล้วก็ต้องมีข้อที่หกคือมีสัมมาวายาโม О. มีความเพียรพยายามที่ถูกต้องแล้วก็มีข้อที่เจ็ดคือมีสัมมาสติการระลึกรู้ที่ถูกต้องและต้องมีข้อที่แปดคือสัมมาสมาธิการตั้งมั่นที่ถูกต้องของจิตนี่คือองค์ประกอบของมรรคแปด ที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางเดินสายกลางที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงดังนั้นผู้ที่ปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์จึงต้องมีมรรคที่มีองค์แปดนี้ต้องมีสัมมาทิฏฐิข้อที่หนึ่งอะไรคือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง ความเห็นที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบก็คือความทุกนี้เกิดความทุกนี้ความทุกใจนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่ามีความแก่ความเจ็บมีการเกิดมีการแก่มีการเจ็บมีการตายการเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละคือความทุกใจแล้วก็รู้ด้วยว่า สาเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจก็เพราะมีความอยากเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายหรืออยากจะหาความสุขจากทางร่างกายหาความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสต่างๆผ่านทางต า, งต า, งตาหูจมูกนิ้วกายความอยากที่ทําให้มาเกิดมาทุกข์ก็คือ กามตัญหาความอยากในกามคุณทั้งห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลพพิภัณสองความอยากมีอยากเป็ น, นอยากล่ามอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวนานมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม อันนี้เรียกว่าภาวะตัณหาและข้อแตัณหาข้อที่สมก็คือวิภาวะตัณหาความอยากไม่สูญเสียสิ่งที่รักที่ชอบไปเป็นความอยากไม่สูญเสียลาบยศสรรเสริญสุขความอยากไม่สูญเสียสุขภาพร่างกาย ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่คือความอยากที่เกิดทําให้เกิดความทุกข์เกิดการเกิดแก่เจ็บตายขึ้นมาและการที่จะทําให้ความทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตายนี้หยุดไปได้หมดไปได้ก็ต้องหยุดที่การ หยุดความอยากทั้งสามประการนี้ละความอยากละกามตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาและการที่จะละตันหาทั้งสามนี้ได้ก็จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือที่มาสนับสนุนในการที่จะละตันหาทั้งสามนี้เครื่องมือที่จะมาละตันหาทั้งสามนี้ก็คือมาร์กแปดนี้เอง ปัที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นต้นดังนั้นผู้ที่จะต้องการที่จะดับความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องไปละตันหาความอยากที่ทำให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนี่คือความเห็นที่ถูกต้องความเห็นว่าหนึ่งความทุกข์นี้ เกิดจากความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยา ก, ยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นสองความทุกข์ที่เกิดจากการไปกระทำบาปและเสพอบายามุกต่างๆการกระทำที่ไม่ถูกต้องคือที่ทำให้เกิดความทุกข์ก็คือการกระทำบาปต่างๆและการเสพอบายามุก เช่นเล่นการปรนันเที่ยว ก, กลางคืนเป็นต้นนี่คือการมีความเห็นที่ถูกต้องเพราะถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็จะนําไปสู่ความคิดที่ถูกต้องคิดอย่างไรแต่จยเรียกว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องเป็นสัมมาสังกัโป<ม>เป็นองค์ประกอบของมรรคองค์ที่สอง ก็คิดคิดไม่ทำบาปนั่นเองคิดไม่เสพอบายมุข ค, คิดละการกระทำความอยากต่างๆคิดละการละละความอยากต่างๆต้องคิดอย่างนี้คิดอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติคือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงให้สร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ ทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการกำจัดตัณหาความอยากต่างๆทั้งสามที่มีอยู่ในใจให้หมดไปเมื่อมีความคิดที่ถูกต้องแล้วมันก็จะทำให้เกิดการกระทำที่ถูกต้องตามมาการกระทำที่ถูกต้องก็คือการไม่ทำบาปการไม่ทำบาปการไม่เสพอบายมุข การละความอยากต่างๆก็จะนำไปสู่การมีศีม์สามากัมมันโตก็คือการกระทำที่ที่ทำให้ไม่ทำบาปคือละเว้นละเว้นจากการกระทำบาปละเว้นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณี ละเว้นจากการดื่มโุรายามเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเป็นต้นเพราะการกระทาเหล่านี้จะไม่ได้เป็นการดับความทุกข์แต่จะเป็นการดับแต่จะเป็นการสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมามากขึ้นเวลาไปทำบาปแล้วใจจะทุกข์ใจจะไม่สุขใจจะวุ่นวายใจจะวิตกหวาดกลัวไปต่างๆนาน า, นา งั้นถ้าไม่ต้องการให้มีความทุกข์ก็ต้องมีการกระทําที่ถูกต้องในเบื้องต้นก็คือไม่กระทําบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีแล้วก็จะนำไปสู่สัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้อง เป็นมรคองค์ประกอบองค์ที่สี่คือการพูดที่ถูกต้องก็คือต้องละเว้นการพูดที่ไม่ถูกต้องนั่นเองการพูดที่ไม่ถูกต้องคืออะไรก็คือการพูดปลดการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อการพูดส่อเสียดนี่คือคําพูดที่พูดไปแล้วจะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา ถ้าไม่อยากจะเกิดความทุกจากการพูดก็ต้องละเว้นการพูดปดละเว้นการพูดคำหยาบละเว้นการพูดเพ้อเจ้อละเว้นการพูดส่อเสียนยุยงไม่เกิดความแตกแยกสามัคคีกันนี่คือสามมาวาจาแล้วก็ต้องมีองค์ประกอบที่ห้า คือสามมาอาชีวมีอาชีพที่ถูกต้องอาชีพที่ถูกต้องก็คืออาชีพที่ไม่ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองอาชีพอะไรที่ทําให้เกิดความเสียหายหเกิดความเดือดร้อนก็เช่นอาชีพค้าอ า, อาวุธค้าสค้า ค่าเครื่องมือที่จะมาทำลายชีวิตของผู้อื่นเช่นกับดักสัตว์อาวุธต่างๆที่เอามาใช้ในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็ยาพิษต่างๆสารพิษต่างๆการค้าขายอาชีพเหล่านี้เรียกว่าเป็นอาชีพที่ไม่ถูกต้องต้องละเว้นอาชีพเหล่านี้อาชีพค้า เครื่องม้ยเครื่องมือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและอาชีพที่ทาให้ผู้อื่นมึนเมาเช่นการค้าสุรายาเมาเพราะเมื่อมีการดื่มสุรายาเมาก็จะเกิดการมึนเมาแล้วก็จะไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นต่อไปหรืออาชีพที่ทาให้เกิดการเสียชีวิตของผู้อื่น เช่นการเช่นการฆ่าสัตว์ค่ามนุษย์เพื่อเอาไปฆ่าเอาไปขายอันนี้ก็เป็นอาชีพที่ไม่ควรกระทำค้ามนุษย์เช่นค้าขายให้ค้ามนุษย์ให้ก็เอาไปทําเป็นทาสก็เป็นการทําให้เกิดความเสียหายเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ถูกค่าขายให้เป็นทาส หรือค้าขายสัตว์เพื่อที่จะเอาไปฆ่าเอาไปกินนี่คืออาชีพที่ไม่ควรจะกระทำเพราะทำแล้วจะส่งเสริมให้เกิดมีการฆ่ากันมีการทำลายกันทาร้ายกันทำให้เกิดความทุกข์กันขึ้นมานั่นเองก็ควรที่จะละเว้นจากอาชีพที่ไม่ถูกต้องถึงจะมีสามมาอาชีพ าอาชีพก็คืออาชีพที่ไม่เกี่ยวกับการทําให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนเช่นค้าขายเสื้อผ้าค้าขายอาหารค้าขายยารักษาโรค ภ, ภัยไข้เจ็บเป็นต้นอาชีพเหล่านี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ถูกต้องแล้วนอกจากนั้นก็ต้องมีความภาคเพียรพยายามที่ถูกต้องความภาคเพียรพยายามที่ถูกต้องก็คือ ต้องเพียรพยายามละการกระทำบาปที่ยังกระทำอยู่ให้ได้แล้วก็พยายามเพียรพยายามละความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปก็ให้มีความเพียรพยายามเจริญมรรคนี้เองเจริญมรรคดให้มีสัมมาทิฏฐิให้มีสัมมาสังกรปรด้วยการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ พอเมื่อได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็จะได้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์อะไรที่จะทําให้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจได้น <Yeah. S 1> ก็คือมรรคฟังเทศฟังธรรมแล้วก็จะได้เกิดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรเกิดปัญญานี้เองเพื่อที่จะได้เอาความรู้นี้มาปฏิบัติละ ความทุกข์ต่างๆนี่ก็คือความเพียรพยายามเพียรศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆการได้ฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างสมมา สติสา ม, มาสังกะปะสร้างปัญญาขึ้นมาด้วยการฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าฟังก็ได้ศึกษาคืออ่านหนังสือก็ได้ได้ดูวีดีโอก็ได้สมัยนี้ทางธรรมะนี้สามารถศึกษาได้หลายทางไม่เหมือนสมัยโบราณสมัยพระพุทธกาลนี้จะฟังเทศฟังธรรมได้นี้ จะต้องไปวัดเท่านั้นเพราะที่วัดจะมีพระแสดงธรรมให้ฟังจะไปวัดได้ก็ต้องหยุดการทำงานนั้นสมัยพุทธกาลจึงมีการฟังธรรมตามวันพระตามวันเวลาตามการตามเวลาก็คือวันหยุดทำงานของญาติโยมที่ตรงกับวันพระนี่เองอ วันพระจึงเป็นวันฝังธรรมวันที่พุทธศาสนิกชนจะได้ไปสร้างสัมมาทิฏฐิสร้างสัมมาสังกปรสร้างสัมมาวายาโมคือความเพียรชอบเพียรศึกษาก่อนเมื่อได้ศึกษาแล้วก็ให้เพียรปฏิบตัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียรสร้างสัมมากัรมันโตสัมมาวาจา โดยการรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดเเช่นในวันพระญาติโยมนอกจากการไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปแล้วก็ยังเพียรปฏิบัติเพื่อให้เกิดสัมมากรมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะถ้ารมอาชีพที่ไม่ไม่ถูกต้องก็ เลิกเสียถ้าเลิกได้ถ้ายังเลิกไม่ได้ก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องเลิกให้ได้กําหนดเวลาให้มีมีเวลาที่จะเปลี่ยนอาชีพเพื่อจะได้มีสัมมาอาชีวอนักษาศีลเพื่อจะได้มีสัมมากรรมันโตสัมมาวาจา รักษาศีลห้าในเบื้องต้นพอรักษาศีลห้าได้แล้วก็มาเพิ่มเป็นการรักษาศีแลแปดเพราะการรักษาศีลแปดนี้จะทำให้เกิดการมีความเพียรพยายามที่จะละตัณหาความอยากที่ทำให้ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆศีลแปดนี้จะช่วยละตัณหาความอยากคือกามตัณหาได้ เป็นสินข้อที่สามก็จะเปลี่ยนเป็นจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองไปเป็นการไม่ร่วมหลับนอนกับใคร <Yeah. S 1> ไม่หาความสุขจากการเสกกามเสกความสุขทางร่างกาย <Yeah. S 1> เพราะไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์ที่แท้จริง <Yeah. S 1> จะเอาเวลาที่จะดับความทุกข์ที่แท้จริงนี้มาจเจริญสติมาจเจริญสัมมาสติ <Yeah. S 1> ซึ่งเป็นมร องค์ที่เจ็ดถ้ามีการจเจริญสมาสติแล้วจะทำให้สามารถทำให้เกิดมรรคองค์ที่แปดขึ้นมาได้ก็คือสัมมาสมาธิสัมมาสติสมมาสมาธินี้ถ้าเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีการรักษาศีลแปดขึ้นไปถ้ารักษาศีหานี้จะไม่มีกําลังพอ พะจะไม่มีข้อห้ามไม่ให้ไปหาความสุขทางร่างกายได้นั่นเองผู้ที่ถือศีลห้านี้ยังไปหาความสุขทางร่างกายได้ยังร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้แต่ไม่ได้แต่ห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกับผู้ที่ไม่ได้เป็นคู่ครองของตนถ้าเป็นคู่ครองของตนก็ร่วมหลับนอนได้นี่คือศีลข้อที่สามของศีลห้า แต่ถ้าต้องการดับความทุกข์อย่างถูกต้องก็ต้องไม่ใช่การหาความสุขทางร่างกายมาดับก็เป็นการดับชั่วคราวการได้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองนี้ก็จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาแล้วก็จะทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่หายไปชั่วคราวแต่เดี๋ยวความทุกข์นั้นก็จะกลับขึ้นมาใหม่ ต้นเหตุของความทุกข์ไม่ได้ถูกดับไปด้วยการร่วมหลับนอนกันนั่นเองต้นเหตุของความทุกข์คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหานี้จะดับได้ก็ต่อเมื่อเรามาถือศีลแปดกันมาละเว้นมาไม่กระทําตามความอยากความอยากจะดับได้นั้นต้องดับด้วยการไม่กระทําตามความอยากถ้าไปทํา ทาตามความอยากแล้วความอยากนั้นจะไม่มีวันดับไม่มีวันหมดดังนั้นถ้าอยากจะดับความทุกข์อย่างถาวรก็ต้องมาดับด้วยการถือสีนแปดแล้วก็มาเจริญสัมมาสติมาเจริญสัมมาสมาธิเพราะว่าถ้าไม่ถือสีนแปดจะไม่มีเวลาจะเอาเวลาไปหาความสุขเอาเวลาไปดับความทุกข์ด้วยการหาความสุขทางร่างกาย คือไปร่วมหลับนอนกันแล้วก็ไปเที่ยวไปกินไปเดือบกันตามความต้องการถ้าถือศีนแปดก็จะทำไม่ได้เพราะศีลข้อที่หก็จะห้ามไม่ให้ไปไปกินไปรับประทานกันนอกเวลาคือให้รับประทานได้เพียงเที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันแล้วให้หยุดการรับประทานอย่าเอาการรับประทานอาหารมาดับความทุกข์ใจ ให้อมาเจริญสัมมาสติเจริญสัมมาสมาธิดับความทุกข์ใจจะดีกว่า น, นี่คือสีนแปนอกจากสีนห้าแล้วก็ต้องเพิ่มอีกสามข้อสีนข้อหก็คือไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วสีนข้อที่เจก็คือไม่หาความสุขจากการไปเที่ยวไปกิน ไปดูไปฟังมอ ม, มหอรสศพบันเทิงต่างๆไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอภรรที่สวยสดงดงามไม่เสริมสวยความงามทางด้านหน้าตาร่างกายด้วยการทำเเผาทำผมทำหน้าทำตาด้วยการใช้น้ำมันน้ำหอมอะไรต่างๆอันนี้เป็น ไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์ที่แท้จริงเป็นเป็นการใช้ความสุขทางร่างกายมาดับความทุกข์ชั่วคราวเท่านั้นควรที่จะเอาเวลาที่ไปใช้เกี่ยวกับการดับความทุกข์แบบนี้มาใช้ดับความทุกข์ด้วยการมาเจริญสัมมาสติเพื่อทําให้มีสัมมาสมาธิจะดีกว่า ถ้ามีสัมมาสติคือจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนีจะเรียกว่ามีสัมมาสติคือต้องให้จิตละเลึกรู้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นละเลึกรู้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพอถ้าละเลึกรู้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธก็จะหยุดความคิดต่างๆได้ แต่ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้พอไม่คิดแล้วถ้ามานั่งเฉยๆนั่งหลับตาจิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้เข้าสู่ความสงบเป็นอุเบกขาสักแต่วรู้ขึ้นมาได้เป็นความสุขอย่างยิ่งปรากฏขึ้นมาอันนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิต้องเกิดจากการมีสัมมาสติ การจะมีสัมมาสติได้ก็ต้องเกิดจากการมีศีลแปดขึ้นไปต้องรักษาศีลแปดเพื่อจะได้มีเวลามาเจริญสัมมาสติเพืที่จะเจริญสัมมาสติได้อย่างอย่างง่ายดายและรวดเร็วต้องละเว้นจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลต พ, พะต้องปลีกตัวเองไปอยู่ที่สงบสงัดเพียงคนเดียว ไม่คลุกคลีกับใครไม่เกี่ยวข้องกับใครเพราะถ้ามีการคลุกคลีการมีการเกี่ยวข้องกันก็จะไม่สามารถเจริญสัมมาสติได้เพราะจะต้องคิดต้องคุยต้องพูดกันต้องทำกิจกรรมอะไรต่างๆร่วมกันนั่นเองอการจะเจริญสัมมาสติก็คือต้องการให้หยุดคิดนั่นเองสัมมาสตินี้ต้องเป็นสติที่ละเลอกรู้อยู่กับ เลืองเดียวและไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่นถ้าเราเลือกรู้อยู่กับเรื่องเดียวแต่ยังคิดอยู่กับเรื่องที่กำลัง เ, เลือกอรู้อยู่นี่ก็ยังไม่ใช่เป็นสัมมาสติเช่นมีสติอยู่กับการทำงา น, เ, นเวลาทำงานนี้ยังต้องใช้ความคิดอยู่คิดบัญชีคิดอะไรต่างๆต้องใช้ความคิดถึงแม้จะมีสติอยู่กับงานที่ทาอยู่ ลักษณะแบบนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นสัมมาสติเพราะยังต้องมีต้องใช้ความคิดอยู่จะเป็นสัมมาสติได้นี้ต้องไม่คิดอะไรให้รู้อยู่ว่ากำลังทำอะไรแต่ไม่คิดอะไรต้องทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็คือไม่ต้องทำงานถ้าทำงานแล้วต้องใช้ความคิดมาทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นการซักผ้าการกวาดบ้านถูบ้าน การดูแลความสะอาดบ้านเรือนดูแลความสะอาดร่างกายอาบน้าแต่งตัวอย่างนี้เป็นต้นให้มีสติและเลิกรู้อยู่กับการงานที่จำเป็นจะต้องทำเท่านั้นถ้าไม่มีงานการที่จะต้องทำที่จำเป็นก็เอาเวลามาเดินจงกรมเพื่อให้เกิดให้มีให้ให้มีเวลาที่จะได้เจริญสติ เวลาเดินจงกรมให้ก็มีให้รู้ให้เฝ้าดูอยู่กับการเดินเดินไปเดินมาทางเดินจงกรมก็ประมาณ20 25ก้าเเดินไปแล้วก็เดินกลับหันกลับแล้วก็เดินไปพอสุดทางก็หันกลับเวลาเดินก็ให้มีสติรู้อยู่กับการเดินเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ถ้าจะคิดก็ใช้คำบิกรรมพุทธโธช่วย อีกชั้นหนึ่งก็ได้เดินไปก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปถ้าคิดถ้าไม่คิดก็ดูการเดินไปเรื่อยๆกำลังเดินก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก็รู้ว่ากำลังเดินไปเพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไปคิดก็ใช้พุโทโธดึงมาบาลิกรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปพยายามเดินให้มากเดินจนกระทั่งสามารถหยุดความคิดได้ พอหยุดความคิดได้พอเดินน้้วเมื่อยก็ไปนั่งสมาธิต่อได้ถ้ามีสติแล้วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเข้าไปสู่สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรก็เป็นความสงบนิ่งไม่คิดปรุงแต่งไม่ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดที่มีได้ในสมาธิ การจิตรวมสงบแล้วไม่อยู่เฉยๆไม่นิ่งออกไปรับรู้สิ่งต่างๆเช่นไปรับรู้เรื่องนลกเรื่องสวรรค์ไปรับรู้เทวดาไปดูกายทิพย์ต่างๆไปติดต่อกับกายทิพย์ได้หรือไปมีความสามารถพิเศษไปอ่านจิตใจของผู้อื่นได้ไปคิดถึงไป ไปรู้ว่าคนนั้นกําลังคิดอะไรอยู่หรือไปดันลึกชาติได้ระลึกว่าชาติที่แล้วเป็นอะไรอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่ถูกต้องต่อการดับความทุกข์เป็นเป็นสมาธิที่วิเศษแต่มันไม่วิเศษสําหรับการดับความทุกข์ถ้าไปติดกับสมาธิแบบนี้แล้วจะไปไม่รอด จะไม่รอดพ้นจากความทุกข์ถ้าไปติดอยู่กับสมาธิที่เกิดคุณวิเศษเช่นไปติดต่อกับกายทิพย์ได้มีตาทิพย์มีหูทิพย์มอีอ่านความคิดของผู้อื่นได้แล้วเล็กชาติได้หรือมีความสามารถพิเศษอย่างอื่นอันนี้มันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อการที่จะนําไปดับความทุกข์ พราะสมาธิแบบนี้ไม่มีพลังไม่มีกำลังที่จะสู้กับความอยากนั่นเองสมาธิที่จะมีกำลังที่จะสู้กับความอยากได้นี้ต้องเป็นสัมมาสมาธิคือจิตตั้งสงบนิ่งเป็นอุเบกขาต้องสักแต่ว่ารู้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงถึงจะเป็นสัมมาสมาธิถ้ามีสัมมาสมาธิแล้ว เวลาเกิดตันหาความอยากถ้ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกประก็จะสอนจิตว่าต้องหยุดความอยากอย่าทำตามความอยากเวลาอยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายก็ต้องไม่ทำถ้าทำแล้วจะทำให้เกิดแก่เจ็บตายตามมาถ้าไม่อยากจะเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องอย่าไปทำตามความอยาก อยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นก็ต้องหยุดหยุดได้ด้วยสัมมาสมาธิ <c oughs> หยุดได้ด้วยอุเบกขาให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ถ้ามีสัมมาสมาธิก็จะรู้เฉยๆได้จะใช้อุเบกขาหยุดมันได้ถ้าไม่มีสัมมาสมาธิเช่นมีสมาธิที่ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆนี่จะไม่มีอุเบกขา พอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะสู้ความอยากไม่ได้ เ, เช่นพระเทวทัตนี้ท่านก็มีสมาธิแบบนี้ท่านมีความสามารถพิเศษเ ม, มีอิทธิฤทธิ์ที่เกิดจากสมาธิที่ไม่ถูกต้องนี้อพอท่านมีความอยากอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็เลยไม่หยุดความอยากกลับไปทําตามความอยาก ไปขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าเพื่อจะให้พระพุทธเจ้าแต่งตั้งให้พระเทวทัตเป็นผู้ปกครองสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าอันนี้เป็นตันหาความอยากแล้วก็พระเทวทัตยังไม่มีความสามารถที่จะรั ง, งับตันหาความอยากได้จะไปแต่งตั้งให้คนมีกิเลตันหาปลาเป็นหัวหน้าได้อย่างไรพระองค์ก็ทรงปฏิเสธไป แม้แต่พระสาวกทั้งสองคือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นผู้ที่ตัดความอยากและดับความอยากได้หมดแล้วเพราะองค์ยังไม่ได้ทรงแต่งตั้งเลยเราจะไปแต่งตั้งพระเทวทัตขึ้นมาได้อย่างไรพอพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธพระเทวทัตก็เกิดความโกรธขึ้นมาก็เลยเกิดความอาฆาตพยาบาท เพียงพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งแต่ก็ไม่สามารถกระทำได้เพราะบารมีของพระพุทธเจ้าทรงคุมของพระพุทธเจ้าไว้ <Yeah. S 1> นี่คือตัวอย่างของผู้ที่ไปในทางสมาธิที่ไม่ถูกต้องผู้ที่มีมิจฉาสมาธิคือผู้ที่มีหูทิพตาทิพนั้ลึกชาติได้แปลงกายได้เหาะเหินเดินอากาศได้ ถ้ามีสมาธิแบบนี้แล้วจะไม่สามารถดับความทุกข์ได้เพราะไม่มีอุเบกขาที่จะมาหยุดความอยากสู้กับความอยากได้เวลาเกิดความอยากก็ต้องทำตามความอยากเพราะเวลาเกิดความอยากแล้วมันจะรู้สึกทรมานใจถ้าไม่ทำตามความอยากมันจะทรมานใจมากจึงต้องไปทำตามความอยากเพื่อระบายความทรมานใจออกไปแต่มันก็ระบายได้ชั่วคราว พ อ, อได้ทำแล้วมันก็หายไปถ้าไม่ได้ทำมันก็จะยิ่งทรมานใหญ่ถ้าหายไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่นี่ไม่ใช่วิธีดับความทุกข์ไม่ใช่วิธีละความอยากหยุดความอยากด้วยมิจฉาสมาธิด้วยสมาธิที่เป็นมีความวิเศษมีคนวิเศษมีตาที่โพธิ์ มีความสามารถพิเศษต่างๆอันนี้ดับเอามาใช้ละความอยากดับความทุกข์ไม่ได้ต้องเป็นสมาธิที่นิ่งเฉยๆสักแตว่ว่าเราเป็นอุเบกขามีความสุขอย่างยิ่งกับสมาธิแบบนี้ถ้ามีความสุขกับสมาธิแบบนี้ก็จะสามารถสู้กับความอยากที่จะไปหาความสุขอย่างอื่นได้ เพราะความสุขอื่นเหนือกว่าความสงบไม่มีผู้ที่มีความสงบที่เกิดจากกะสัมมาสมาธินี้จะมีกำลังที่จะต่อสู้กับความอยากได้ถ้ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโปที่จะสอนที่จะเตือนใจให้รู้ว่าความทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตายนี้เกิดจากความอยากต่างๆเกิดจากกา ม, มาตนะหา ภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาพอใจเกิดกามตัญหาภาวะตัญหาหรือวิภาวะตัญหาขึ้นมาใจก็จะรู้ทันรู้ว่านี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะสร้างความสุขวิธีเยี่รับความทุกข์สร้างความสุขก็คือต้องไม่ทำตามความอยากต้องหยุดความอยากด้วยการทำใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสัมมาสมาธิ ให้เป็นอุเบกขาพอใจเป็นอุเบกขาได้ความทรมานใจที่เกิดจากความอยากก็หายไปก็เลยไม่ต้องไปทําตามความอยากอยู่เฉยๆได้เมื่อไม่มีเมื่อทําลายความอยากได้ความอยากก็จะหมดไปเมื่อความอยากหมดไปการเกิดแก่เจ็บตายก็จะหมดไปนี่คือสัมมาสมาธิ เกิดจากการมีสัมมาสติสัมมาสติก็เกิดจากการมีสัมมาอาชิวสัมมาวายาสัมมาวาจาสัมมากมโตเป็นมรรนี้เป็นเป็นการเป็นเหมือนลูกโซ่สนับสนุนกันการจะเกิดสัมมาวายาโมสัมมาอาชิวสัมมาวาจาสัมมา กำมันโตได้ก็ต้องมีสัมมาสังกปสัมมาสังกปรจะมีได้ก ad pues ็ต้องมีสัมาทิฏฐิการจะมีสัมาทิฏฐิได้ก็ต้องมีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนพอมีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนจะมีสัมาทิฏฐิก็ต้องฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ คิดอย่างไรให้ทำอย่างไรให้มีความเห็นอย่างไรเนีพระพุทธเจ้าก็สอนให้เรามีความเห็นว่าเราเรามีการเวียนว่ายตายเกิดเรามาเกิดแก่เจ็บตายนี้ไม่รู้กี่แสนกี่ล้านรอบแล้วถ้าเราอยากจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหยุดการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องไปหยุดที่ความอยาก ที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันและการที่เราจะหยุดความอยากได้หยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้เราก็ต้องมีมรรคปกันเราก็ต้องมาสร้างมรรคปดกันขึ้นมามรรคปก็คือสัมมาสังกปสัมมาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า พอฟังแล้วเราก็จะได้รู้ว่าสัมมากรรมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชวีโวเป็นอะไรก็คือศีลชนิดต่างๆนี้เองเราก็มาถือศีลกันมาละเว้นอบายามุกกันถือศีลห้าถือศีลแปดละเว้นอบายามุกต่างๆแล้วเราก็จะรู้ว่าสัมมาวาญาโมคืออะไรคือความเพียรชอบคืออะไรความเพียรชอบก็คือ เพียนกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจนี้เองด้วยการถือศีลแปดด้วยการถือศีลแปดด้วยการปรีกวิเวกไปอยู่คนเดียวไม่ทำงานไม่เพราะไม่ต้องการจะใช้ความคิดต้องการหยุดความคิดถ้ายังไปทำงานทามาหากินหาความสุขทางร่างกายอยู่หาเงินเพื่อที่จะได้เอาเงินมาซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ ก็จะไม่สามารถที่จะหยุดความคิดต่างๆได้ถ้าจะหยุดความคิดต่างๆได้นี้ต้องหยุดทำงานหยุดการหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อความสุขทางร่างกายเพื่อมาดับความทุกข์ทางใจซึ่งดับไม่ได้ดับได้ชั่วคราวเท่านั้นเองถ้าอยากจะดับอย่างถาวรก็ต้องหยุดทำงานหยุดหาเงินหาทองหยุด ใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขทางร่างกายมาดับความทุกข์ทางใจให้มาดับความทุกข์ทางใจด้วยการเพียรพยายามเจริญสติและสมาธิเพียรเจริญสัมมาสติเพียรเจริญสัมมาสมาธิสัมมาสติก็คือการละเลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง <c oughs> เพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นถ้าละเลึกรู้อยู่แล้วยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ยังเรียกว่าไม่มีสัมมาสติ เช่นเวลาทำงานเราก็มีสติเราเลิกเอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่แต่งานที่เราทำนี้เราต้องใช้ความคิดเช่นคิดวางแผนคิดจัดการคิดบัญชีคิดอะไรต่างๆเพื่อให้ ก, การงานเกิดผลสาเร็จขึ้นมาการมีสติแบบนี้ไม่เป็นสัมมาสติเป็นมิจฉาสติ ไม่เป็นสัไม่เป็นสติที่จะนำไปสู่การดับความทุกข์ได้สติที่จะนำไปสู่การดับความทุกข์ได้ต้องไม่คิดอะไรให้รู้เฉยเฉยรู้ว่ากำลังทำอะไรเช่นรู้ว่ากำลังล้างหน้ากำลังแปรงฟันกำลังหวีผมกำลังอาบน้ากำลังแต่งตัวกำลังรับประทานอาหารกำลังกวาดบ้านกำลังถูบ้านกำลังซักผ้าให้รู้เฉยเฉยอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่น ถ้าไม่ได้ทำอะไรก็รู้ว่ากำลังเดินเช่นเดินจงกรมอยู่ก็รู้ว่ากำลังเดินเดินไปรู้ว่ากำลังก้าว เ, เท้าซ้ายกำลังก้าว เ, เท้าขวาไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันจะไปคิดก็ใช้พุทโธดึงกลับมาถ้าไม่สามารถ <c oughs> ให้มันอยู่กับการเดินได้ก็ใช้พุโทโธช่วยพอไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ใช้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไป พยายามทําใจให้ว่างจากความคิดให้ได้ถ้าสามารถควบคุมใจให้ว่างจากความคิดได้ก็เรียกว่ามีสัมมาสติพอมีสัมมาสติแล้วพอไปนั่งเฉยๆนั่งทําใจให้สงบก็จะทําให้จิตสงบได้เกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาได้ต้องมีสัมมาสติก่อนถ้าไม่มีสัมมาสตินั่งสมาธิก็จะอดคิดไม่ได้ นั่งไปก็คิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่งไปนานเท่าไหร่จิตก็ไม่สงบสียทีเพราะไม่สามารถควบคุมความคิดหยุดความคิดได้เพราะไม่มีสัมมาสตินั่นเองแต่ถ้ามีสัมมาสติควบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้นั่งสมาธิได้นั่งสมา ธ, ธิ ป, telling, ปับใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้พอเข้าสู่ความสงบก็ต้องระวังว่ามันมีความสงบสองแบบ ความสงบแบบนิ่งเฉยๆสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขากับความสงบที่ไม่นิ่งที่ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆไปรู้นิมิตต่างๆไปรู้กายทิ่ไม่มีตาทิพย์มีหูทิพย์ไประลึกชาติได้ไปอ่านวาลจิตของผู้อื่นได้ถ้าไปพบกับสมาธิแบบนี้แล้วก็ไปยุ่งกับมันไปเกี่ยวข้องกับมันใจก็จะไม่มีอุเบกขาจะไม่มีกาลังที่จะมาสู้กับ กัรหาความอยากได้พอถ้าเข้าไปแล้วถ้าจิตเป็นประเภทนี้ก็ควรที่จะดึงกลับมาให้นิ่งเฉยๆให้อยู่กับสักแต่ว่ารู้ไปอย่าปล่อยให้ไปรู้เรื่องราวต่างๆดึงมาได้ดึงมาได้ด้วยสติถ้ามีสัมมาสติก็ดึงกลับมาเหมือนตอนที่กําลังเจริญสติตอนที่ยังไม่ได้นั่งให้ดึงกลับมาให้มาอยู่กับผู้รู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้ให้ ให้ให้อยู่นิ่งๆเฉยๆไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงให้มีความสุขที่เกิดจากความอยู่นิ่งๆเฉยๆจะดีกว่าดีกว่าไปรับรู้เรื่องราวต่างๆถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมหาสจจารใจก็ตามแต่มันไม่เป็นคุณประโยชน์ต่อการที่จะเอามาดับความทุกข์ดับการเวียนว่ายตายเกิดยุติ และความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายให้หมดไปได้ต้องเป็นสัมมาสมาธิคือสักแต่วรู้เป็นอุเบกขาและมีความสุขอย่างยิ่งที่เรียกว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีถึงจะเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิถ้ามีสัมมาส ม, มาธิแล้วพอมีสัมมา สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปคือมีความเห็นที่ถูกต้องมีความคิดที่ถูกต้องก็จะรู้ทันทีว่าต้องหยุดความอยากเวลาเกิดความอยากขึ้นมาอยากจะดูอยากจะฟังก็ ui, ไม่ดูไม่ฟังอยากจะกินอยากจะดื่มก็ไม uh, ่กินไม่ดื่มอยากจะร่วมหลับนอนกับใครก็ไม่ร่วมหลับนอนกับใครอยากจะไปเที่ยวก็ไม่ไปเที่ยวอยากได้นั่นอยากได้นี่ก็ไม่เอาเอาหยุดมันทั้งหมด เวลามันใจมันสั่นก็ใช้อุเบกขาเข้ามาหยุดมันได้ถ้ารู้จักสร้างอุเบกขาแล้วเวลาใจสั่นก็ใช้สร้างอุเบกขาขึ้นมาหยุดมันได้ด้วยการใช้สัมมาสติพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวเดียวใจก็จะสงบนิ่งไม่ต้องไปทําตามความอยากได้ถ้าทําอย่างนี้กับความอยากทุกชนิดที่โผล่ขึ้นมาต่อไปความอยากทั้งหลายมันก็จะหายไปหมดพอใจพอความอยากหายไปหมดน ความทุกข์ในใจก็หายไปหมดการเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปเพราะต้นเหตุของการไปเกิดก็คือความอยากนี้ไม่มีถ้ายังมีความอย า, อยากอยู่เวลาร่างกายนี้ตายไปความอยากนี้ก็จะดึงใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่เพราะยังอยากจะเสพรูปเสียงกกิดลดยังอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่นั่นเองแต่ถ้าหยุดการเสบ อยุดการหาความสุขทางร่างกายได้ก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่ต่อไปไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาทุกข์กับการพัดพากจากกาันนี่คือทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เรียกว่ามรรคแปดที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรลุก็ตัดสรลุเรื่องมรรคแปดนี่ เรื่องอริยสัจสี่เรื่องของเหตุที่ทำให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันก็คือความอยากต่างๆและเรื่องของเหตุที่จะมาหยุดความอยากต่างๆกันก็คือมรรคแปดถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้านี้เราจะไม่มีวันที่จะสามารถดับความทุกข์ใจของเราให้หมดไปได้เราก็จะดับได้อย่างที่เราดับกันมาในในปัจจุบันนี้ก็คือ เวลาทุกข์ใจเราก็ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายกันไปดูหนังฟังเพลงกันอยู่บ้านแล้วมันทุกข์มันเบื่อมันเซ็งก็ไปเที่ยวกันเไปเที่ยวก็หายหายเซ็งหายเบื่อพอกลับมาอยู่บ้านใหม่ความเบื่อความเซ็งก็กลับมาใหม่อีกทำไปจนวันตายก็ไม่สามารถดับความเบื่อดับความเซ็งดับความหงุดหงิดําคาญใจได้ ถ้าใช้ความสุขทางร่างกายมาดับไม่มีวันดับได้ถ้าเราไม่ได้มาพบพระพุทธศาสนาเราก็จะทําได้เพียงเท่านี้คือดับความทุกข์ใจไม่สบายใจด้วยการไปหาความสุขทางร่างกายมาดับชั่วคราวแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้เรียนรู้วิธีที่จะดับความทุกข์ใจอย่างถาวรดับด้วยมรรคแบบ ด, ดับด้วยการเจริญสัมมาสติ ความเห็นชอบสามมาสังกับโปความคิดชอบสามมากรรมันโตการกระทำชอบสามมาวาจาการพูดชอบสา ม, มาชิโวอาชีพชอบสา ม, มาวายาโมวความภาคเพียรชอบสามมาสติการระลึกรู้ชอบสามมาสมาธิการตั้งมั่นของจิตชอบถ้าเรามีองค์ประกอบทั้งแปดองค์นี้ขึ้นมาในใจแล้ว เราก็จะสามารถทำลายภพชาติต่างๆให้หมดไปได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายในภพน้อยภพใหญ่อีกต่อไปไม่ต้องมาทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปใจของเราก็จะสงบตลอดเวลาใจที่สงบปราศจากกัรหาความอยากนี้เราเรียกว่านิพพานนิ บ, บานังปรมามังสุขขังใจที่สงบ ใจที่ว่างนี่มีความสุขอย่างยิ่งนิ บ, บานังปรมังสุญญงใจที่ว่างนิ บ, บานังปรมังสุขขังเป็นใจที่มีความสุขอย่างยิ่งนี่จะเป็นผลที่เกิดจากการที่เราได้มาศึกษามรักษแปกันพอเรารู้แล้วว่ามรัก8ดเป็นอะไรถ้าเราอยากจะพบกับนิบานังปรมังสุขขังเราก็ต้องไปเจริญมรัก8์แปดกันเริ่มต้นด้วยการฟังเทศฟังธรรม อยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้เกิดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปะพอเรามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปะเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องมีสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสมาติสัมมาสมาธิพอเรารู้ว่าเราต้องมีสิ่งเหล่านี้เราก็ไปบำเพ็ญกันไปปฏิบัติกันไปสร้างกันขึ้นมา ไปรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดกันไปปีกเว่เวไปอยู่คนเดียวไปเจริญจิตไปนั่งสมาธิแล้วก็ไปสู้กับความอยากต่อสู้กับความอยากไม่ทำตามความอยากถ้าเรามีมรรคแปบดบความอยากมันจะสู้ไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าได้ใช้มรรคแปดนี้มาทำลายความอยากในพระทยของพระองค์จนหมดสิ้นไปแล้วใครมีมรรคแปดก็สามารถบรรลุมรรคผลนี้ บรรลุถึงพระนิพพานได้ไม่ต้องไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยไม่ได้อยู่ว่าจะต้องเป็นพระหรือเป็นฆราวาสไม่ได้อยู่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่คนหนุ่มคนสาวหรือคนแก่สามารถไปนิพพานได้ถ้ามีมรรคแปดดังนั้นขอให้ท่านเพียรพยายามาเจริญมรรคแปกันเริ่มต้นที่การฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อย แล้วนำเอาธรรมะที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่ามรรคแปดจะปรากฏขึ้นมาสมบูรณ์ต่อไปแล้วก็จะมาหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหยุดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาฟังเทศน์ฟังธรรมในวันนี้เพื่อให้เกิดการเจริญมรรคแ ท, ที่จะตามมาต่อไป ให้ท่านได้นำอาไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความดุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนอยะถาวาเลยวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลรังเอวเมวะอิตุทินังเปตานังอุปกัรปฏิ อิทีต่างปฏททต่างตุมหังคิปปะเมวะสมิจจ้ตุสัพเพบุเรนตุกสังกะปาจันโทปนะระโสยะธามาณิโชติอระโสยะธาสัพพิติโยวิวาจจานตุสัพพะโรโขวินัสตุมาเตผวะตะวันตราโยสุขีทีคายุโกภะวะ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 ถ้าไม่อยากจะถามด้วยตัวเองก็เขียนเป็นข้อความเข้ามาก็ได้แต่ขอความกรุณาอย่าถามนอกเวลาเวลาที่เลิกแล้วก็จะหมดเวลาจะได้เก็บเข้าวของจะได้กลับบ้านกลับช่องกันอย่นงเติมานั่งยืดเยอะตอบปัญหาต่ออีกขอความกรุณานี่ใีรอยากจะถามตอนนี้ถามได้เลยถ้ายังไม่มีจะให้ทางบ้านส่งข้อความเข้ามาก่อน วันนี้ทางเฟซเท่าไหร่ละทางเฟ e บุ๊กวันนี้มีสามร้อยยี่สิบหกค่ะ y o u t u หนึ่งร้อย 41, 5ลน์ห้าพันสี่สิบเอ็ดินตาเกร๋ห้าค่ะอะย่างนี้มีช่องทางใหม่อิน t ต g r กรมใครเล่น i ิน t ต g r กรมก็แอดเข้ามาได้ใช่ไหมไใช้ชื่อว่าไงน ะ, อ, ะอาจารย์สุชาติอาจารย์สุชาติเนะี่ย อันนี้เขาใช้ไอ้แบบแบบของ l ลน e หรือเปล่าแบบใช้คิอะไรหรือเปล่าใช้ใช้แอดแบบคิวหรือเปล่าอันนี้จะจะอดได้<อ>จะกว้างกว่ากวาของของไลไปเหมือนเอ่ะเหมือนเฟซบุ๊กอ่ะคือจริงอินสตาแกรเขาเาก็เป็นเจ้าของอ n s t a g r a m มอยู่นะก็อ่า<อ>มีคำถามก็อ่านได้เลยค่ะคำถามจากบนเขานะคะ ตูนบอดี้แลมมีความมุ่งมั่นมีความเพียรมีความเสียสละวิ่งจากเปตรงถึงเชียงรายเอาร่างกายแลกเงินเพื่อคนไทยจะมีโรงพยาบาลที่ดีขึ้นถือว่าได้ทำบุญใหญ่ใช่ไหมเจ้าคะก็ได้ทำบุ ญ, ญแต่มันก็ยังไม่ใหญ่ตามหลักของบุญอันนี้เป็นบุญพื้นฐานคือการทำบุญทำทาน เราต้องไปสู่การรักษาศีลถ้าตัวอยากจะได้บุญที่ใหญ่กว่านี้ก็ต้องรักษาศีลห้าแล้วก็รักษาศีลแปดแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญสติฟังเทศฟังธรรมถึงจะได้บุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะคาถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะคะณเวลาปัจจุบันนี้ สำหรับผู้ที่เห็นภัยอย่างยิ่งของการยังต้องมาอยู่ในวัฏวนและยินดีหันหลังให้กับวิถีโลกเพราะเห็นแล้วว่าไม่สามารถพาตนพ้นทุก์แต่ยังฉุดรั้งให้ไม่สามารถออกจากวัฏวนนี้ได้หากเป็นชายสามารถออกบวชในวัดของครูบาอาจารย์เพื่อศึกษาวิธีแล้วหาที่สับปายะเพื่อใช้เวลากับการแก้ไขพัฒนาจิตใจ ตนได้อย่างเต็มที่ในฐานะนักบวชแต่หากเป็นหญิงในกรณีที่เราพอทราบแนวทางในการปฏิบัติของเราแล้วจะมีสถานที่ใดหรือวัดไหนที่ให้โอกาสเราจะมีวัดไหนพอที่จะให้โอกาสเราหรือสถานที่ใด ได้เพ่งเพียรภาวนาได้อย่างเต็มที่ในระยะยาวโดยไม่ต้องข้องเกี่ยวกับเรื่องภายนอกได้ไหมคะยมเคยตั้งเป้าจะรีบผ่านเงินให้ได้มากพอแล้วเลิกเพื่อจะได้อยู่เพียรเพ่งภาวนาในบ้านของเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรและไม่ต้องเป็นภาระใครแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันหากยังใช้แผนเดิมเห็นทีการภาวนา คงไปถึงเป้าหมายปลายทางได้ยากท่านอาจารย์พอจะมีแนวทางหรือคําแนะนําในจุดนี้ได้บ้างไหมคะคือวัดที่เราจะไปอยู่ปฏิบัติได้ก็มีอยู่เยอะแยะปแต่เราต้องหาวัดที่มีพระมีผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นผู้หญิงนี้เขาก็มีแบ่งไว้เป็นส่วนๆข้อสําคัญคือเรามีกําลังไปหรือเปล่าส่วนใหญ่เรามันยังไม่มีกําลังที่จะไปอยู่ เราก็เลยอ้างว่าไม่มีที่ไปความจริงแล้วถ้าเรามีกําลังจะไปนที่ที่เราจะอยู่ปฏิบัติได้มีอยู่เยอะแยะไปเพียงแต่ว่าก็ต้องหาหน่อยเอามันไม่ใช่หาง่ายเหมือนกับวัดทั่วไปะแต่วัดปฏิบัติส่วนใหญ่จะอยู่ที่วัดอ ย, อยู่ที่ห่างไกลความเจริญความทุกข์ยากลาบากมันจะมากอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราไม่อยากจะไปกันะ อยากจะอยู่วัดที่สะดวกสบายแต่มันก็มันอาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการไปอยู่วัดอย่างนั้นงนั้นเบื้องต้นเราต้องสร้างกาลังของเราขึ้นมาให้ได้ก่อนกาลังที่จะส่งให้เราไปอยู่ตามวัดต่างๆได้ดังั้นเราก็ปฏิบัติในขณะที่อยู่บ้านเราไปก่อนจนกว่าเราเห็นว่าการอยู่บ้านนี้มันทำได้เท่านี้แล้วถ้าอยากจะได้มากกว่านี้ต้องไปอยู่วัด เมือนกับการปลูกต้นไม้ตอนต้นเราก็ปลูกในกระถางไปก่อนดูแลง่ายกว่าลดน้ําอะไรได้ง่ายรักษาได้ง่ายกว่าแต่ถ้าละต้นไม้เริ่มโตขึ้นโตขึ้ น, ต, นต่อไปกระถางมันก็จะแตกรากมันจะใหญ่ขึ้นมันจะทําให้กระถางแตกก็จําเป็นที่จะต้องย้ายต้นไปลงดินแล้วลงกระถางที่ใหญ่กว่าการปฏิบัติเบื้องต้นน<ม>ี<ม>่เราปฏิบัติที่บ้านเราได้เราต้องหาที่บุ่มในบุ่มหนึ่งของบ้านเรา สงบไม่วุ่นวายแล้วก็ปฏิบัติทำมุมนั้นเป็นเหมือนวัดไปแล้วปฏิบัติไปจนกว่ารเราจะเห็นว่าเรามีกําลังพร้อมที่จะไปอยู่ตามวัดได้แล้วก็ไปหาวัดอยู่กันต่อไปค่ะคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนานมิจฉาสมาธิจะเกิดกับทุกคนที่ฝึกสมาธิหรือเกิดเฉพาะคนที่ต้องการได้ฤทธนี้ แต่ถ้าเราต้องการสมาธิเพื่อดับทุกข์เมื่อเจอมิจฉาสมาธิเราต้องข้ามผ่านขับไปใช่ไหมแต่จะทำอย่างไรไม่ให้หลงไปคะก็ถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่หลงนะเพราะเรารู้ว่าเราเรื่องไปสนใจกับการไปละเลึกชาติไปมีฤทธิ์มีอะไรต่างๆเราก็หยุดมันเท่านั้นเองเราก็ดึงกลับมาให้จิตนิ่งเฉยๆสักแต่ว่าารู้มันก็ไม่ไป ที่ไปเพราะไม่รู้กันเพราะคิดว่าเป็นสมาธิที่ดีมีฤทธิ์มีเดชใายๆก็คิดว่าอันนี้จะเป็นเครื่องมือฆ่ากิเลสได้แต่อิทธิฤทธิ์ต่างๆนี่สู้กิเลสไม่ได้สิ่งที่จะฆ่ากิเลสได้คือโอเบกขาความนิ่งความสงบของใจเท่านั้นถ้าเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมจากผู้ปฏิบัติอย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่เราจะถ้าได้อิทธิฤทธิ์แล้วเราจะโหนกันทุกคนเพราะมันเป็น ของที่กิเลสชอบเป็นเครื่องมือหากินได้ไปเป็นหมอดูได้เป็นทำอะไรต่างๆได้มีรายได้ยเยอะแยะได้ลาบสักกาละแต่มันเป็นมันไม่สามารถมาดับความทุกข์ได้เท่านั้นเองดฉนั้นการฟังเทศฟังธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นสัมมาสมาธิอะไรไม่เป็นมิจฉาสมาธิถ้าไม่ฟังไปปฏิบัติเราก็จะหลงได้ง่าย คำถามต่อไปนะคะจากคุณแก้วตาถ้ามีพระบิณฑบาตหน้าบ้านวันละหนึ่งรูปแล้วเราทําบุญใส่บาตรโดยอธิษฐานจิตให้เป็นสังฆทานโดยที่ไม่ได้บอกพระท่านอธิษฐานในใจเฉยๆจะถือว่าเป็นสังฆทานได้ไหมเจ้าคะไม่ได้หรอกเพราะว่าพระท่านรูปเดียวแล้วใส่บาตรเราจะต้องการถวายสังฆทานเราก็ต้องไปถวายที่วัดถวายให้กับวัดทั้งวัด ถ้าพระท่านมาบินาบาตรท่านหาอาหารแล้วเราไปถวายสังฆทานมันก็เป็ น, นการไปใช้ให้ท่านเอาของที่เราจะถวายนี้ไปให้วัดแล้วท่านก็ไม่ได้อะไรจากการแบกหามของที่เราฝากไปถวายเพราะท่านรับเก็บไว้ใช้เองไม่ได้ถ้าเป็นสังฆทานอืมฉนั้นเวลาใส่บาตรเราไม่ถือว่าเป็นสังฆทานเราถือว่าเป็นบุคลิกทานนอกจากเป็นวัดสายวัดป่าที่ท่านไปทีเดียวพร้อมๆกันไง ของทั้งหมดที่ได้มาจากบิณดาบาัดท่านจะไม่เก็บเอาไว้ในบาทท่านจะเอาไปรวมกันที่ศาลาแล้วค่อยเอามาแบ่งแจกกันอีกทีอย่างนั้นก็จะเป็นสังฆทานโดยอัตโนมัติไปโดยไม่ต้องบอกนี่เราก็ต้องดูว่าวัดแต่ละวัดนี้เขาบินดาบัดแบบไหนบินดาบัดแบบเฉพาะตนหรือบินดาบาตแบบสังฆทานถ้าเป็นวัดปา่านี่เขาจะาบินดาบัดแบบสังฆทานอาหารที่ญาตโยมใส่บาทมา น, นี้พระก็จะไม่เก็บเอาไว้ในบาท จะเอากลับไปที่ศาลาแล้วเอาไปจัดแล้วก็เอามาแจกกันให้ทั่วถึงกันแบ่งปันกันอย่างนี้ถึงเรียกก็เป็นสังฆทานคำถามจากคุณนันทาชาพรยมเห็นเพื่อนๆในเฟซเขาแชร์กันเกี่ยวกับคาถาบทส่วนต่างๆเช่นคาถาเมตตามหานิยมค้าขายดีเจรจากับผู้ใหญ่ให้ผู้ที่พบเจอรักใครบทส่วนต่างๆนี้ ใช้ได้จริงไหมเจ้าคะไม่จริงหรอกนีน้ทุกคนก็เป็นคนน่ารักไปหมดแล้นเส่ถ้าสวดได้มันไม่ได้อยู่ที่การสวดอยู่ที่การทำตัวให้มีความเมตตา<ม>เป็นการกระทําเจอใครก็ยิ้มอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนก็รักเราเองถ้าเจอหน้าสวดแล้วแต่หน้าบึ้งก็ไม่มีใครเขาจะรักเราต้องอยู่ที่กิริยาอาการของเราถ้าเรายิ้มแย้มจจ่สใสทักทาย ไม่โกรธเคืองใครใครทำอะไรเราก็สาธุไปให้อภัยไปใครเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขาไปมีอะไรเกินกว่าที่เราจะเก็บไว้ได้ก็เอาไปแบ่งปันกันแจกจ่ายกันอย่างนี้แหละจะเป็นคนที่น่ารักพระเจ้าบอกจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคือผู้ที่มีความเมตตาไม่ใช่ผู้ที่ท่องคาถาเมตตามหานิยมต่างๆ เหมือนที่บ้าท่องกันอยู่เนี่ยชอบนั่งสวดท่องคนเดียวสับเพสัตตาอันนั้นเป็นการท่องเฉยๆเป็นการเรียนรู้เป็นการสอนใจว่าถ้าอยากจะมีเป็นคนที่คนเขารักชอบเราเราก็ต้องมีความเมตตาเราต้องเอาเวลาไม่จองเวรกันเราต้องอัปยญาปัจชาเราไม่เบียดเบียนกันอย่างนี้ต่างหากถึงต้องเอาไปทาไม่ใช่เอามาสวดสวดไปจะมันตายก็ไม่มีใครเขารักเขาชอบเรา ถ้าาาาเเรรรไมม่่กะททตีคำถามจากคุณธีรติเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเราปฏิบัติธรรมรักษาศีลแต่เราไม่เชื่อเรื่องพพหน้าชาติหน้าปฏิบัติโดยไม่สนใจว่าจะได้บุญในภายภาคหน้าความคิดแบบนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิไหมครับจะทำให้เราไม่ถึงมรรคผลนิพพานไหมครับถ้าเราปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ก็ ก็ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิความที่จะพบหน้าชาติหน้านี้เป็นเป็นเพียงความรู้ที่เรารู้รู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกห่อมแต่เป้าหมายหลักของเราก็คือการดับความทุกข์ต่างๆดับความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุที่จะพาให้เราไปเกิดใหม่อีกต่อไปคำถามจากคุณอาร์ตเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเราปฏิบัติถูกต้องหรือมาถูกทางแล้วครับ ก็ใจเราจะสงบมากขึ้นพิเลสจะน้อยลงความโลภความโกรธความหลงจะเบาลงความอยากต่างๆจะเบาลงความนิ่งความสงบของใจจะมีมากขึ้นใจจะเย็นมากขึ้นอย่างนี้คำถามจากคุณทอยขอถามคำถามนะคะพระอาจารย์เวลากำหนดจิตบริกรรมจะต้องภาวนาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรหรือต้องพุทธโท ร, รวัวอันไหน จะได้ผลดีครับมันก็แล้วแต่เราว่าอันไหนมันได้ผลดีเราก็เอาอันนั้นถ้าเราไม่ได้นั่งเราไม่ต้องดูลมเราก็พุโทโธไปอย่างเดียวคือเป้าหมายดูที่ว่าเราหยุดความคิดได้หรือเปล่าถ้ามันคิดเราก็ต้องพุโทโธพุโทโธไปถ้ามันไม่คิดเราก็ดูร่างกายเราไปก็ได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินก็ดูมันไปดูเฉยเฉยอย่าคิดวเวลานั่งถ้าเราไม่บริกรรมพุโทโธเราก็ดูลมเฉยเฉยไปอย่างเดียวก็ได้ พุทโธพุทธลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ถ้ามันไม่ไปคิดอะไรก็ดูเฉยๆถ้ามันคิดก็ใช้พุทโธแทนลมหายใจก็ได้ไม่ต้องดูลมก็ได้กลับมาที่พุทโธพุทโธอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่อันไหนจะได้ผลดีสำหรับเราเราก็ใช้อันนั้นไปก็แล้วกันคำถามจากคุณปุ้มปุ้ยการสร้างกองสเสบียงบุญในการบริจาคทานถ้าต้องการให้ผู้อื่นร่วมบุญด้วย ต้องตั้งอธิษฐานและบุกับการปฏิบัติกรรมฐานด้วยใหม่เจ้าค้าไม่ควรที่จะไปอยากให้คนเขามาร่วมบุญด้วยเพราะนี่มันเป็นกิเลสใช่เราทําบุญของเราไปแต่เราอยากจะได้เงินเยอะๆไปทําบุญก็เลยต้องไปชวนคนอื่นไปรบกวนคนอื่นอย่างนี้ไม่ถูกเราทําบุญไปตามกําลังของเราถ้าผู้อื่นเขารู้เขาอยากขอร่วมบุญก็ให้เขาร่วมได้แต่อย่าไปขยนันขยออย่าไปรบกวนเขา อาจจะบอกเขาได้ถ้าเขาบอกไว้ก่อนวนะ่าถ้าทำบุญช่วยบอกด้วยนะถ้าเขาสั่งไว้เวลาเราทำบุญแล้วก็บอกเขานี่จะทำบุญไปที่วัดนั้นนะก็บอกเขาเท่านั้นแต่อย่าไปทำด้วยความโลภอยากให้เขามาร่วมบุญเพราะมันแทนที่จะเป็นบุญมันจะเป็นกิเลสไปความโลภอยากจะได้บุญเยอะๆมันก็ไม่ถูกโดยเฉพาะบุญที่ไม่ใช่เป็นของเรา เป็นเป็เงินของคนอื่นเราได้มามากน้อยเพียงไรเราก็ไม่ได้บุญจากเงินเท่าเหล่านั้นคนที่เขาเสียเงินนั่นแหะเขาเป็นผู้ที่ได้บุญนั้นเวลาเราทําบุญเราทําแต่เฉพาะที่เราทําได้แล้วก็บอกบุญไปถ้ามีคนที่เขาบอกว่าบอกไว้ล่วงหน้าก่อนว่าให้บอกคนที่เขาไม่ได้บอกก็อย่าไปบอกเขาเดี๋ยวจะไปสร้างความรําคาญให้กับเขาก็ได้เพราะคนเราบางทีไม่พร้อมที่จะทําบุญ เขอาจจะมีหนี้มีศินมีภาระที่จะต้องใช้เงินทองไม่สามารถแบ่งเงินมาทําบุญได้แต่เราไปบอกเขาหมืนก็ไปบังคับเขาเขาก็จะอึดอัดใจและจะทําบุญแบบไม่ได้บุญคือทําบุญด้วยความ อ, อไม่พอใจไม่ไม่ยินดีที่จะทํอย่างั้นถ้าเขาไม่ได้บอกเราล่วงหน้าก่อนก็อย่าไปบอกเขา ถ้าเขาบอกเขาสั่งไว้ว่าถ้าไปทําบุญที่ไหนบอกด้วยนะบางทีเขาไปไม่ได้เขาจะได้ฝากเงินไปอย่างนี้เป็นตน้นคำถามจากคุณปราณีการเดินรงกรมคือการกําหนดสติอยู่ที่การก้าวของขาใช่ไหมคะก้าวซ้ายรู้ว่าก้าวขวารู้สติตลอดอย่างอย่าให้เผลออ่าก็เป็นวิธีหนึ่งเป้าหมายก็คืออย่าให้ไปเผลอคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้า ไม่ดูเท้าจะใช้พุทโธแทนก็ได้เดินไปก็พุทโธพุทโธแต่ก็ต้องดูทางเดินไปด้วยเงินเดีเด๋ยวไปเลื่นหกล้มไปเตะก้อนหินไปทําอะไรก็ต้องรู้ว่าเรากําลังเดินไปข้างหน้าแล้วขณะที่เดินแท้ใจมันไปคิดเรื่องนี้นเรื่องนี้เราก็ใช้พุทโธพุทโธช่วยคําถามจากคุณคณิฐาการที่เราจะอยู่ทํางานร่วมกับคนที่มีจิตใจคิดไม่ดีกับเราควรจะทําตัวอย่างไรดีคะ เราก็ต้องมีความเมตตาเนี่ยแผ่เมตตาให้เขาเขาอย่าไปโกรธเขาถ้าเขาไม่ทำอะไรที่เราอยากให้เขาทำหรือทำทาไม่เหมือนกันหรือเขาทำอะไรให้เราเสียหายเราก็ให้อภัยอย่าไปจองเวรจองกรรมกันอย่างนี้เราก็จะอยู่ด้วยกันได้ต้องมีความเมตตาให้อภัยกันหมดแล้วเลยมีไหมไ ม, ไม่มีคำถามแล้วเลย เดี๋ยวพอพักดื่มน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวรอคำถามเข้ามาคำถามต่อไปจากแม่นกนะคะทำบุญเข้าโรงทานบางทีไม่ได้เอาไปประเคนให้กับพระแต่นำเข้าโรงทานเลยแบบนี้ถือว่าได้บุญเหมือนนำไปประเคนกันกันกบพระไหมคะได้แล้วได้บุญเหมือนกันคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบเรียนพระอาจารย์ค่ะ สูญเสียบุตรอันเป็นที่รักได้สี่ปีแล้วทําอย่างไรถึงจะคลายความเศร้าโศกได้บ้างคะเพราะทุกวันนี้รู้สึกว่าตัวเองทุกข์เหลือเกินเจ้าคะ่ะคิดถึงเมื่อไหร่น้ําตาไหลทุกครั้งอยากพ้นทุกข์เหลือเกินเจ้าคะ่ระรบกวนพระอาจา ร, ร, รย์แนะนําด้วยเจ้าคะ่ะก็เบื้องต้นพยายามอย่าไปคิดถึงเขาเวลาคิดถึงเขาแล้วทําให้เราทุกข์ก็หยุดคิดซะใช้พุโทโธพุโทโธใช้สติดึงใจกลับมา เราต่อไปถ้าเรามีความเข้มแข็งพอถ้าคิดเราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนว่ามันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วแก้วมันแตกแล้วจะไปทําให้เอาแก้วนั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันย่อมเป็นไปไม่ได้ที่เราทุกข์เพราะเราอยากจะให้เขากลับมาอยู่กับเราเหมือนเดิมงั้นเราต้องยอมรับความจริงว่าทุกอย่างมันจะต้องมีวันสิ้นสุดลงมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดา ความอยากไม่พัดภากจากกันเลยทำให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องเห็นความจริงว่าทุกทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนจะต้องมีการพัดภากจากกันเตรียมตัวเตรียมใจรับกับการพัดภากที่จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆคำถามจากคุณปณนิตาก่อนนอนหลับแล้วภาวนาพุดโธแล้วเหมือนจิตตื่นตัวตลอดเวลาแล้วชอบฝันเป็นเรื่องเป็นราวแปลกๆเหมือนเหตุการณ์จริง ทำอย่างไรจะหายคะก็อย่าไปตั้งสติมากเกินไปเวลานอนนอนก็ทําเป็นเผลอสติ mm. แต่อย่าไปคิดให้รู้เฉยๆบางทีถ้าถ้าตั้งสติแรงไปมันก็จะมันก็จะไม่หลับแต่ถ้ามีสติจริงๆมันก็จะไม่คิดไม่ฝันอยู่ดีนเพราะฉะนั้นก็แสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องของสติมันเรื่องของการไม่มีสติมากกว่า นอนหลลลััับแ้วมนนก็เยไปฝคําถามจากคุณพรศักดิ์สมมุติที่ชายบอกให้หมอถอดออกซิเจนออกโดยที่คนป่วยยังมีชีวิตอยู่และคนป่วยพร้อมที่จะสู้ถือว่าผิดใช่ไหมครับถ้าคนป่วยก็ยังอยากจะรักษาอยู่ก็ไม่ควรที่จะไปฝืนเขาเพราเป็นเรื่องของชีวิตของเขาถ้าเขายังอยากให้หมอรักษาอยู่แล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยุติการรักษา นอกจากว่าเราไม่มีเงินเราก็ทํอะไรไม่ได้ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษา<ม>เขาก็ต้องยุติการรักษาโดยปริยายไปเองแต่ถ้าเรายังมีอยู่แต่เรายังหวงเงินอยู่เสียดายเงินอันนี้ก็ไม่ควรควรให้คิดว่ามันเป็นการทำบุญทำทานไปโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่มีพระคุณกับเราเช่นบิดามารด า, าเขายังอยากจะให้รักษาเราก็ควรที่จะรักษาไปตามกาลังของเรา จนกว่าเรารักษาไม่ไหวแล้วเราก็ต้องบอกก็รักษาไม่ไหวเรือจะต้องาย้ายลงพยาบาลจากเอกชนไปลงพยาบาลของรัฐบาลจะได้ค่าใช้ จ, จ่ายจะได้น้อยลงคำถามจากคุณเกียรติศักดิ์เวลาภาวนาพุทโธพุทโธไปบางทีก็พุทโธได้ต่อเนื่องบางทีก็คิดไปเรื่องอื่นอันที่แวบไปคิดนี้เป็นกิเลสใช่ไหมครับมันต่อสู้ กับรมคือพุโทโธต้องพยายามพุโทโธต่อไปเพื่อให้จิตสงบจริ ง, รงๆใช่ไหมครับใช่ก็ทำกับกิเลสนี้เป็นเหมือนคู่ต่อสู้กันตอนนี้ตอนเราเริ่มใหม่ๆทำมีกำลังน้อยกิเลสมันก็เลยชนะดึงใจไปคิดเรื่องต่างๆได้แต่ถ้าเราพยายามฝึกไปเรื่อยๆต่อไปทำก็จะมีกำลังมากขึ้นก็จะสามารถหยุดความคิดต่างๆได้งนั้นต้องมีความภาคภิความพยายามยายความอดทน อย่าท้อแท้เบื่อหน่อยทำไปเรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆคำถามจากคุณพัชรักตอนนี้หนูเริ่มนั่งสมาธิได้หกเดือนแล้วแต่จิตไม่นิ่งแล้วอย่างนี้จะได้มุญไหมคะก็ได้ความพยายามได้ความเพียรในพยายามทำไปฝึกสติให้มากขึ้นอย่าฝึกสติเฉพาะเวลานั่งต้องฝึกก่อนมานั่งตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี้ต้องฝึกสติเลย ต้องควบคุคมการคิดให้ได้อย่าปล่อยให้มันคิดถ้าไม่จำเป็นจะต้องคิดถ้าจำเป็นต้องคิดก็คิดแต่เฉพาะที่เรื่องที่จำเป็นจริงๆพอคิดเสร็จแล้วก็ให้หยุดแล้วก็กลับมาพุโทโธพุโทโธแล้วมาดูเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปเรื่อยๆถ้าเรามีสติแล้วเวลานั่งมันจะสงบได้เร็วและได้นานเดี๋ยวคาถามคาถามสุดท้ายนะ มีคนถามเข้ามานะคะว่าถ้าฝากคุณแม่ทําบุญให้โดยให้ท่านออกเงินให้ก่อนกลับมาแล้วค่อยให้เงินคืนท่านจะได้มูลจะได้บุญเหมือนทําเองหรือไม่คะได้ถ้าได้ตอนที่ให้เงินคุณแม่ถ้ายังไม่ได้เงินก็ยังไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้เสียเงินบุญเกิดขึ้นจากการเสียสละทะ่นั้นบอกให้แม่ไปแล้วเกิดเราลืมไปไม่ได้เอาเงินที่เราบอกให้แม่ ไปทำบุญไปใช้แม่อย่างนี้เราก็จะไม่ได้บุญะนั้นถ้าเราอยากจะได้บุญเราต้องเอาเงินไปให้แม่หลังจากที่เราบอกแม่ให้ไปทำบุญแทนเราแล้วเราต้องเสียเสียเงินล้วถึงจะได้บุญเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ